อกราบสวัสดีท่านผู้รฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมทุกท่านครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิประดิษฐ์ผู้อำนวยการสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีประทุมเป็นผู้ดำเนินรายการครับ วันนี้เช่นเคยครับทางรายการการพัฒนาประเด็จพระคุณประเทศบโลกวัดประวัติวิทยากรวิทยากรตอบปัญหาธรรมะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315ขณะนี้กําลังรับทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามานะครับขออนุญาตประเด็นแรกกันนะครับมีแฟนรายการหลายท่านทั้งจดหมายมาและก็ทั้งสอบถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องสงสัยมากเลยครับท่านผู้ชครับเกี่ยวกับเรื่องพบรบคณะสงฆ์ฉบับใหม่นะครับที่บอกมีข่าวค่าวว่าจะมีสมาชิก สภาที่ีเป็นใหญ่แห่งชาติเนี่ยเสนอร่างเข้าไปหม่นี่หมเป็นตรงนี้เป็นยังไงบังครับท่คุณจานทร์ครับคือมันไม่ได้เสนอใหม่อะไรหรอกมันไปแก้มาตราเดียวแก้มาตราสิบมาตราเดียวแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนจะออกมาในรูปของการพาสาสายสังคมมณฑลออกเป็น เอาเป็นสองซี่แกเป็นสองซี่เลยน ะ, <ม>ะจะกลายเป็นความแตกแยกอย่างแรงในสังคมทนครับมาว่าบางเฉีดสังกเพศนั่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยครับผมว่าพระเองก็กระทบกระเทือมากพ อ, พอเจอข้าวเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าประเด็นประเด็นที่เกิดขึ้นหรือไม่มีประเด็นครับ มันประเด็นที่ไม่มีประเด็นเลยครับผมคือหมายความเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดาสามัญอย่างหนึ่งเมื่อตัวประธานไม่อยู่รองประธานก็ทําหน้าที่แทนครับผมถ้ารองประธานทําไม่ได้องค์ต่อไปก็แทนแทนแทนแท น, นจนนะ่ะทีนี้พอประธานกลับเป็นทุกอย่างมันขื่นสภาพเดิมหมดเลยครับผมทีนี้ประเด็นมาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยฟาบาดเกิดรหัสตึง็นแข็งลงลงพนาไม่ได้ครับผม้วทำํำยังไง งานก็ค้ากันดีๆครับเพราะงานทั้งหมดเนี่ยต้องให้สมเด็จพระสังฆราชลงพรนามครับทีนี้กฎหมายกําหนดไว้ว่าเป็นอานาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนครับก็ต้อกลงว่าก็ต้องอาศัยอํานาจตามความในมาตราสิที่เขาให้ไวอ้อะละครับแม่ก็ที่ประชุมมหาเทมาคมก็เลือกให้สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ซึ่งกฎหมายกําหนดอไว้ครับ ว่าให้พระเถระพระสมเดิจราชาคณะที่มีอุโศสูงสุดโดยสมณศักดิ์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีสมเด็นและปัสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยเป็นข้อความที่ฝ่าบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นเองอครับผมตอนสามิบห้ตอนศนะูนย์ห้านั้นไม่มีไม่มีครับ ทนี้ที่อาบตสูงสุดโดยธรรมศาสติ์ฟาบาตก็เพิ่มเองครับผมเพราะมันมีปัญหาเมื่อก่อนเนี่ยเอาเอาอบุโตสูงสุดไปยัาษาแล้วก็เจอพระแก่มากๆไปรักษาการอยู่แล้วเกิดปัญหาเยอะมากคราวนั้นเนี่ยจนจะเกือบจะเป็นขมินไปตอนสองสองนะฮะคือชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกอย่าไปยุ่งเรื่องละเอียดอ่อนขนาดนี้เธอเห็นเหนแก่พระศาสนาเธออย่ายุ่งเลยอย่าสร้างบาปสร้างกรรมเลยครับ เป็นเวรกรรมเนี่ยมันมั น, มนคล้ายๆเฉียดสังกเพศอย่างที่มาบอกเนี่ยรหรือว่าเป็นอัจริกรรมที่แรงนะครับเป็นความคิดที่แรงมากๆเลยและเจตนาไม่บริสุทธิ์คนที่นํานะฮะเพื่อนที่ถูกหลอกให้เสด็จในก่อนหน้าน่าสงสัยมากร็รู้รู้จากคุณคุณอยู่หลายคนะนี่ยนี่ก็โอไม่น่าจะ้ะแหมโทรศัพท์มาถามเราสักหน่อยก็ได้ <c oughs> ค, คือคืออย่าลืมว่าเวลาเนี้ยสมมติว่าสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ แล้วเสด็จเข้าไปนั่งปั๊บเนี่ทุกอย่างคืนสู่สภาพเดิมหมดครับผมไม่มีผู้ฏิบัติหน้าทีแทนไม่มีอะไรลงพนามเองหมดเลยครับไม่มีอะไรจริงๆที่มาเคยบอกว่าเป็นประเด็นที่ไม่มีประเด็นครับผม แต่เนื่องจากมันเคยจุดชนวนขึ้นที่ช่องก้าวรสองมอท อ, อ, อรบแล้วก็เป็นเหตุนํามาเล่นกันอยู่ตรงนี้นานมากจนมีการเคลื่อนไหวกันใจะระดัะเผาตัวเผาเตอร์อะไรต่างๆครับผมนี่คือคือเป็นเป็นปัญหาเรื่องการไม่รู้แล้วก็ไปชี้ครับแล้วก็ไปอ้างว่าตามลำดับสพันษาตามลดับสพัรษาครับ พระพุทธศาสนาไม่ได้ถือพรรษาคระผมอาจารย์นึกออกไหมครับพระสารีบุตรนั้นเป็นอันดับที่หนึ่งพันเก้าสิบสองครับก้าเว็กาบเอ็ครับพระโมคคัลลานะั่งเก้าส2สองเห็นไหมเป็นอักษาวกนั่งติดจากพระพุทธเจ้ามาเลยครับเห็นไหมพระเทราอยู่ข้างหลังอีกพันเก้าสิบรูปครับคือเขาไม่ได้ใช้พรรษานะเขาใช้เวลานั่นงทั่วไปกับ เวลาทำสามีจีกรรมคือยกมือไหว้กันครับผมนะครั บ, รบแล้วก็เรียกหมายความว่าองค์พัรษาน้อยจะเรียกผู้ใหญ่ว่าพันเตปเลยว่าใต้เท้าเนี่ย<อ>แล้วก็ผู้พันษามากจะเรียกผู้น้อยว่าอาวุโสนี่เป็นสั่งก่อนจะเป็นนิพาน<อ>เพราะว่าตอนนั้นพระเรียกพระเรียกอาวุโสกันหมดครับผมพระเจ้าบอกเปลี่ยนวิธีเรียกใหม่ครับ แล้วก็ให้เคารพกันตามําดับภาษาเคารพกันตามระดับภาษาแต่ว่ามอบหมายตําแหน่งนั้นอีกอย่างนึงครับพระทัพมาลาบุตรเนี่ยเป็นสามเณรนะฮเป็นพัตตุเทศกะเลยครับอายุเจ็ดขวบเจ็ดเจ็ดขวบเป็นพัตตุเทศกะเลยท่านเป็นพรอาหารครย์เจ้ไหมฮะแล้วก็ บาลีท่านจะบอกเราเลยว่าภิกษุผู้ฉลาดสามารถทรงธรรมทรงวินัยแตกฉานในอุปโตววีพังรั้วัติกรเหตุเกิดปฏิกรความรับปฏิกรข้อปฏิวัติที่ถึงซึ่งความระดับปฏิกรปราศจากอคติแล้วก็มีพันษาบอกพันษาข้างหลังสุดข้างหลังสุดส่วนใหญ่มันก็จะสิบพันสาขึ้นนะนะครับ้บนไม่ได้เกี่ยวกับพันษาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับพระธรรมวินยัย จะต้องรู้ไว้อย่างว่าตําแหน่งเจ้าคณะตําบลจนถึงตําแหน่งสังราชไม่มีในพระธรรมในนี้ไม่เคยปรากฏในพไม่ได้ไม่มีในพระธรรมในนี้เพิ่งมา<ผ>มเกิดมาสมัยสุขโขทัยนี่เองครับเป็นเรื่องและสมมติเอาแล้เจ้าคณะที่หลังนี่มันเพิ่งเกิดเมาแปดทุกศรีนี่เองครับ<ผ>มเกิดเกิดเกิดเมื่อสองพันสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้าครับอ่ก็ร้อสองร้อยี่สเอกระดครับผมก็ แฟนรายการหลายท่านก็สงสัยนะครับท่านยศอาจารย์ก็ครับในฐานะขอนสื่อพุทธศาสนานะครับก็สร้างความกระจ่างให้กับประชาชนได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอสายแรกนะครับมารออยู่นานแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครโทษค้าให้รอหนานครับเชิญอะไรครับขอบคุณเลยครับครับผมคุณผมอยากจะสอบถามว่าย่งเอ่อรุดหรือมหาอะไรส่งทั้งสองแห่งเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยทำพนิธานเอ่อบอกว่าต้องการให้ คณะสงฆ์ได้เรียนรู้พระธรรมวินัยและวิชาการชั้นสูงครับหือเออผมอยากจะทราบว่าเกี่ยวกับวิชาการชั้นสูงคือวิชาอะไรฮะแล้วมีวาเนี่ที่เรื่องเรื่องอะไรว่าวิชาการชั้นต่ำเนี่ยมีด้วยหรือเปล่าครับครับขอรับฟังทางวิทยุนะครับครับขอบพระคุณมากครับอันนี้เป็นรายรหัสเดขาของรายการที่ห้าท่านฮะหรือเราอย่าไปถามอย่างนั้นไม่ได้บังคับความเคารพครับ คือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆแหละมันก็ชั้นประถมก็ชั้นมัธยมก็สูงกว่าชั้นประถมก็สูงไปเรื่อยๆงั้นก็เจตนาของท่านก็หมายความว่าต้องการให้ศึกษาลึกซึ้งไปจนถึงอภิธรรมอภิโดก<อ>แล้วก็ตลอดถึงวิชาการทางโลกพวกอภิป ร, ยรายอะไรต่างๆ <c oughs> ครับเพราะว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยถ้าเรารู้เฉพาะทางเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับ นะเพราะว่าพระที่ทํางานเนี่ยเขเรียกว่าต้องแตกสารในปฏิสามิทาสีนะอย่างน้อยที่เป็นโลกิยะเนี่ยคือแตกสารในเรื่องเหตุผลแตกสารในเรื่องภาษานะแตกสารในเรื่องไหวพริบปฏิพันธ์ต่างๆครับเข้าถึงเหตุเข้าถึงผลเข้าถึงภาษาเข้าถึงไววพริรบปฏิพันธ์ที่จะสื่อสารออกมาให้เกิดความเข้าใจเราก็ต้องศึกษาให้เกิดความรอบรู้ท่านยังเรียวกว่าปรเรียนครันะแปลว่ารอบรู้ อาวันครับท่านกี่คอาจารย์ที่ท่านที่คุาจยเป็นอาจารย์สอนระดับปิญญาเอกนี่ระดับปัญญาตรีกับปัญญาเอกที่คุณอาจารย์สอนต่างกันเยอะมครับทุนครับมีแนววิธีวิธีต่างกันมากครับผมคือสอนัญตรีนั่นก็สวนมากมันก็ป้อนป้อน้แก้วใช่หมแต่พอปัญญาเอกคุณสอนให้คิดเลยไมคิดเลยตั้งประเด็นให้คิดอยู่ตลอดเลยะเวลาเลยธอต้องตื่นตัวตลอดเลยเธอนั่งสับสงบไม่ได้ครับนตรันประเด็นธรรมดาเนี่ยเราต้องเสนอก็คิดครับแล้วก็อภิปรายได้เลย คือคือมันมีวิธีต่างกันทั้งๆที่เรื่องเรื่องเหมือนกันนะนะะแต่ว่าวิธีสอนมันจะทั้งกว้างทั้งลึกแล้วก็มองผ่านมิติที่ปรากฏไปหามิติที่ไม่ปรากฏอสิ่งที่เหมือนกันสิ่งนี้ตรงกันข้ามสิ่งนี้คล้ายคลึงสิ่งนี้แปลกเพี้ยนกันครับเธอเห็นหนึ่งเธอเธอต้องเห็นสี่ต้องอธิบายได้เราทำเป็นยังไงเองนะครับขอบคุณที่ร่วมใจครับสายที่สองครับสวัสดีครับรายการครับฮัลโหัผมามสองข้อนะครับเชิญเลยครับข้อที่ห ถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยองกับีเนี่ยเขาตัดควาแต่ตกลงเป็นสามีภรรยากันแล้วตอนนี้ถ้าดีเสี่ยนใจแอดแอดแอดบางมีสมพั์กับผู้ชายเนี่ยระท้องไม่รู้เนี่ยผิดถึงข้อสาไหครับข้อหน่นะครับข้อสครับคนที่อยู่ชมรมสวิงซิ่งเนี่ยแรก เป็นใจที่แรกพูดกันกันพี่สครอบคราเมครับอ๋อครับครับขอบคุณมากนะครับครับอันนี้เป็นปรรหารใหญ่โเป็นบรรหารใหญ่เป็นบรรหารศีลธรรมเป็นความตกต่ำทางศีลธรรมอย่างแรงครับคือไม่ต้องถามว่าผิดหรือไม่ผิดมันก็ผิดอยู่ตั้งนนแล้วแม้แต่คิดก็ผิดแล้วแม้แต่คิดก็ผิดแล้วครับผมครับขอบคุณครับสายที่สามครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสอบถามได้เลยครับโอกาสมามาตรการเรียนถักครับ คือคือผ ม, มเปกก็นวิทยากรเกี่ยวกับศาสนานะครับตอนนี้ขอฝากพระจากเอ่อเรื่องเรื่องเรื่อ ง, องที่สอบไปเมื่อครั้วัดศรีนุโวโสดวัดศรีแปดเนี่ยเหมือนกันอันนี้ผมผมไม่ไม่ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าครับเพราผมในนักธรรมีก็บอกว่ากรณ์เรื่องศ ร, รีนุโวสเป็นศรีทัศน์สีและศรีแปดครับผมว่าเหมือนกันหรือไม่ใช่ไหมครับมีแล้วมีข้ออื่นยังไหมครับ ข้อท <mile> ี่สองคือสมัยเมื่อเจ้าพระเจ้าศตรูอ่ะครับคได้ขีดตัดฝ่าเท้าของพระปิดาคือพระเจ้าวิสารนะครับเขาบอกสาเหตุมาจากพระเจ้าพิมิสารสมัยหนึ่งเคยเข้าไปในเขตของอุโบสถนะครับโดยไม่ถอดรองเท้าเพราะนั้นสมัยนี้ถึงเป็นอย่างนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าครับอ๋อครับรับฟังทางวิทยุนะครับ ครับผมขอบคุณนะครับสินโบสถกับสินแปดจะทุกเนคือคือศีลมันเหมือนกันนะฮะเหมือนกันทุกอย่างแต่ห่วงเวลารักษานี่ไม่เท่ากันสินโบสถมันจะใช้เวลาประมาณยี่สิบชั่วโมงครับจากสักสี่โมงเช้าจนถึงหกโมงเช้าก็จบแล้วสี่โมงเช้าหกโมงช้าอีกวันหนึ่งนะฮะก็จบแล้วเดี๋ยวสินแปดรักษาด้วยรวกษาด้วยไปตามที่ท่านต้องการจะรักษาเพราะงั้นในอานิสงส์จริงๆเขาก็แปดเาก็มากกว่าครับ แล้วก็ทนทานยังยืนมากกว่าทีนี้กรณีของแม่เจ้าชาติศัตรูนั้นเราจะเห็นว่าประเทศบางประเทศเช่นพมา่ า, าอย่างเงี้ยเขายังเคร่งครัดมากครับข้าวลานเจดีนี่ต้องถอดรองเท้าเลยอย่างพระที่วัดระวอนเนี่ยเดินผ่านเจดีต้องถอดรองเทา้าถือว่าพร ะ, ย, ย, ะร ย, ยังถือเยอะพระยังถืออยอะมากแต่ว่าโยมก็ไม่ไม่ถือเราม่รู้จะว่าไงครับว่าแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ควรจะควร จ, จะถอดรองเท้าอนะครับ คือให้มันเปื้อนทเท้ายายเปื้อนบาปดีกว่า<อ>ไปวัดเลยนะครับผมเปื้อนบาปมันก็ไม่เคยดีอ่ะครับไอ้เปื้อนเท้าเราเด้งก็ล้างออกง่ายแต่เปื้อนบาปแล้วมันแก้ยากครับเพราะว่าเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อเจติยาสถานโอครับผมเพราะงัน้น เ, เราเราลองไปเช่นเช่นสมมุติเราไปอินเดียที่จริงเขาไม่ใช่วัดนะครับแต่เราพอเข้าบริเวณเนี่ยต้องลดหลายเลยถือว่า เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่เมือนเขาวัดอ่ะครับผมเหมือนเราไปอินเดียบอเข้าใกล้บริเวณ น, นั้นต้องถอดต้องต้องลดหลายหมดครับการร่มไม่ได้โอ้การร่มไม่ได้พอใกล้บริเวณต้องถอดรองเท้าด้วย <c oughs> ครับขอบคุณท่านผู้ชนรายการและท่านเจ้าสุนันทานะครับเออผมขอถามคำถามสอข้อนะครับครับผมข้อหนึ่งครับ เออทาเวลาทสมาธินี่เราน้ําตาไหลออกมาหมายความว่าอย่างไงครับครับผมครับผมสมาธิอนามุตโตนี่นะครับติดสงบถึงอย่างสี่หรือไม่ครับสองข้อครับครับผมขอบพระคุณมากครับก็ก็แล้วแต่นะฮะก็ส่วนใหญ่มักจะเกิดปิตินะปิติแบบน้ำตายน้ําตาไหลเนี่ยมันก็มีเป็นปกติธรรมดาก็อยู่ในปิติห้าข้อนะครับแต่ทีนี้ ภาวนาพุโทโธนี่ภาวน า, าบทไหนก็ได้ไปได้ดียกันดังนั้นเ น, นนะไปได้ด้วยกันั้นทีเรี น, นี้เรามาพูดเป็นยุ่งแล้วไม่ดูหลักการนะฮะอย่าลืมว่าภาวนาพุโทโธในบรรลุมรรคผลเป็นประหารได้เลย นะอย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่างเพระว่ากะลีดูพระพุทธเจ้าเห็นองค์พระพุทเจ้าเนี่ยเจริญพุทธานติก็บรรลุมพระฝนเป็นพระหรันหรือพระเถรรธิลังกามานิรมิตเป็นรูปพระพุทธเจ้าท่านเห็นปั๊บท่านก็นั่งกราบเพ่งดูเจริญพุทธานติบรรลุมพระฝนเป็นพระนั่งนั้นเลย<อ>คือคือผู้ อ, อาจารย์ก็พูด ก, กันเรื่อยคือเขาไม่ดูไอหลักฐาน่ยมันชัดล่ะพูดเรื่อยตามตำนาครับไม่ได้ดูไอแล้วที่พระอาหารหันทรั้นทำละ่ะ ก็มีอาการอธิบายกันอย่างนี้ย่างนั้นถึงวิปัสนาอย่างงั้นถึงขณิกะสมาธิอย่างงั้นถึงอุปจารสมาธิอมาวเลงนั่นแหะครับอธิบายเอาเองครับลองปฏิบัติดูสิครับมั้นี่มีตรงไหนหรอผู้เจ้าสอนไปนี่ผ่านได้แต่ไหนมาต่อกันเองจิตอะมันจะปรับสภาพของมันเองครับผมถึงจุดหนึ่งมันจะขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันจะอยู่ได้ไงก็เหมือนกับบันไดอ่ะครับใช่ไหมครับผมบันไดก็บันไดมันไดบไดเดียวแหละขึ้นไปหลายขั้นขึ้นมาจากจุดนั้นแ่ะจุดจุด ขั้นแรกรแกันแหละเราขึ้นมาจนถึงชั้นบนน่ะ <c oughs> ขอบคุณครับ022413315นะครับสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้ครับที่คุณแจ้งว่าแฟนรายการฝากสอบถามมานะครับเห็นบอกมีแนวคิดนะครับบางคนก็เสนอแนวความคิดว่าถ้าเกิดอนาคตเนี่ยถ้าพระเศวตไม่ถึงไปจับได้จะจับพระติดคุกติดตารางติดกฎหมายท <c oughs> ี่คุณอาจารย์ครับตัวนี้แฟนรายการหลายท่านถามว่าเอ๊ะทำไมตํารวจจะมีสิทธิ์จับพระเลยครคือเกลี้มาว่ามันมันมันฟุ้งซ่านอ่ะมันเฟื่องครับ คือไม่รู้ว่านี่คือวินัยของพระเขารเขาสมัครใจจะบวชเขาสมัครใจจะปฏิบัติเขาปฏิบัติไม่ได้เขาเรียกว่าปาราชิกคือแพ้ก็คือสึกคือออกมาครับก็ประหารแล้วอ่ะลงโทษแล้วอ่ะโทษของพระไม่จะโทษกันชาวบ้านทีนี้ถ้าหากว่าผิดเมถุนก็จับสึกติดคุกก็โยมก็ต้องจับสึกด้วยจับติดคุกด้วยอย่าลืมาเซไปถูกตธรรมชาติของสัตว์มนุษย์ ใช่ครับพระเพียงแต่ว่าเขาต้องการรักษาศีลของเขาเป็นเรื่องของเขาก็รักษาได้ก็ดีไปรักษาไม่ได้ก็รักษาไม่ได้เพราบฉะนันพระเราบวชปีนึงเป็นแสนก็ศึกมาเป็นแสนก็แสดงว่าตั้งรักษาไม่ได้เรื่องธรรมดาแล้วก็พูดกันเรื่อยอชาวบ้านพูดกันเรื่อยคือเป็นคนที่เรียกว่าหยิดมันไม่ว่าง แล้วก็ไม่ได้ดูตัวเองว่าศีลห้ารักษาได้หรือเปล่าเกิดเป็นคนน่ะพระก็คนน่ะใช่ครับที่คุณคุณก็คนน่ะแล้วคนกลุ่มหนึ่งก็รักษาศีลสองร้อยเจ็ดขอ้ขอเขาพลาดก็พลาดเขาก็ออกจากเวทีไปครับมือแข่งมาราธอนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะครัือแข่งมาราธอนทุกคนคิดว่าตัวเองวิ่งได้คแต่ผลสุดท้ายมันเหลือก็เดียวคใช่ไหมคนอื่นก็ตกอันดับสองสามไปก็ว่ากันไป การไปบัติไม่เรื่องส่วนตัวขรังขาวเป็นเรื่องศาสนาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวบ้านหรอกครับเด็กตกนรกคนเดียวขงแกครับไม่ได้เอาคุณไปด้วยหรอกแต่ถ้าแต่คุณวุ่นมากก็จะติดตามมาไปด้วยคขอบคุณที่อาจารย์มากเลยครับอาจารย์แจ้งเลยครับที่อาจารย์ครับสายที่ห้าครับสวัสดีครับเพื่อนกันครับครับผมครับอาจารย์าสุขคุณครับขอสอบถามปัญหาอะไรนะครับเจอญเลยครับอ่าคนเรงนี้ย่างสูงวัฒน์ยังหมดหมดกระถินนะฮะครับหมด คือเทกาลกระถิ่นีะฮะเป็นภาคขอจัดนำเที่ยวได้นะฮะ oh, <crap. S 2> อ๋อครับข้อที่หนึ่งนะครับผมแล้วข้อที่สองนี่ยืสองสถานีนี่เห็นยบริการตาลอดเลยโอ้ครบครับครับ การเที่ยวนะครับครับเอ่อคือกระถิ่นเมื่อจบก็คือโจบส่วนท่านจะนําเที่ยวไปไหนเนี่ยว่ากันตามความจริงแล้วพระก็ไม่ควรจะจัดเองนะฮะกรนีคณะสงฆ์เขามีกฎเกณฑ์ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะเราเราจะลืมว่าถ้านําเที่ยวมึงก็เก็บค่านาเที่ยวครับนะแล้วก็เป็นธุรกิจแล้วก็ต้องเสียภาษีครับใช่ครับใช่ครับปัญหาว่าเป็นรายได้นอกเหนือจากตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองครับ ทีนี้อาการเรี่ยไรยเนี่ยเราก็ต้องดูว่าท่านเรี่ไรเรื่องอะไรครับะตะกี้เขาฟังลูกศิษย์ก็ออกที่อหมอพ .2 เนี่ยก็เรี่ยไรยค่าใช้จ่ายในการออกอากาศครับเพราะว่าการออกอากาศนี่จะลําบากมากครับเพราะเขาเช่าอ่ะทีนี้ก็ตั้งเดือนตังเป็นหลายกันหลายหมื่นใช่ <laughs> คือคือมันมันปัญหาว่าเขาต้องเช่าสถานีกใช่ครับ แล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาก็ขอญาตโยมมาช่วยครับอันนี้ก็ก็คือการบอกบุญนั้นอย่าลืมมาเป็นหน้าที่ของผู้ปรารถนาดีครับเราฟังแล้วเราก็อันโมทนาเขาก็ ก, ก็ไม่ได้บุญได้บาปอะไ ร, รนะแต่ถ้าไปไปด่าเขามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอะร่ะเพราะหลักการในการทาทานเนี่ยหนึ่งให้ทานในตัวเองไม่ชวนคนอื่น จะสมบูรณ์ด้วยโภกสมบัติแต่ขาดบริวารสมบัติครับชวนคนอื่นแต่ไม่ให้ด้ตัวเองจะสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติแต่ขาดแคลนพกกสมบัติไม่ไม่ให้เองไม่ชวนคนอื่นขาดแคลนนะคู่ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ด้วยตัวเองด้วยชวนคนอื่นด้วยนั้นจะสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติและโภกสมบัติในสถานที่ที่ตนเกิดแล้วครับนั้นพระพุทธเจ้าแสดงเองเลยนะสพระศาริบุตรพระพุทธเจ้าแสดงหลายครั้งครับ นี่ก็พูดฤกษ์การนำทานครับได้ไหมคือคือว่าเขาไม่ได้เจตนาอะไรหรอกแต่ว่าเจตนาจะทํางานช่วยเหลือสังคมตอนตอนนี้มีน้ําท่วมพระกลุ่มหนึงท่านก็ช่วยกันคัอย่างศูนย์ส่งเสริมเองก็เปิดรับบริจาคไว้สามจุดอย่างที่บอกไว้เมื่อก่อนครับแล้วเราก็ไปช่วยได้สองรอบแล้วรอบรอบที่สามโอ้โหพระภัยเรืออรอบรอบที่สามจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเราก็บอกกล่าวไปอย่างนั้นนะครับ คือคือไม่มีเจตนารายส่วนการนําเที่ยวนั้นคือบางทีเนี่ยพระเป็นเพียงเป็นเพียงพิธีกรนะโยมดําเนินการพระก็ช่วยบอกให้คเดี๋ยวสต้งสถางโยมดําเนินการเองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะจะเป็นอย่างนั้นคือข้อดีบนพระไปเป็นไปไปบรรยายให้ฟังอ่ะครับเพราะพระไปศึกษาจากอินเดียมาครับจะมีความรอบรู้ในสถานที่เหล่านั้นนะครับแล้ว จะให้จุกใจบางทิญาติโยมนะครับอย่างนั้นคือสาเหมือนกันนะฮะต้องฟังทีคุณอาจารย์ตอบปัหาถึงจะรู้เรื่องก็ต้องเฉพาะจุดเหมือนกันที่คาารนะครับครับผมครับสายต่อไปสายที่หกครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลบมาต้องการทร่คุณเจ้าพระองค์ขออนุญาครับเอผมฟังรายการทางวิทยุนะครับจะมีประกาศว่าถ้าทาบุญแล้วอริสจะได้มนุษย์สมบัติ ได้สวรัคสมบัติครับจุดหมายบัตรได้นิพพานสมบัติผนต้องสัยว่านิพพานมีหลายชั้นเลครับเพื่อท่จมีนิพพานสมบัติด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับนิพพานสมบัติใช่คือมันก็มีทำไมมัมีเราคือมันเป็นภาษาแปลว่าถึงพร้อมนะฮะแปลว่าสมบูรณ์ด้วยนิพพานคือว่ามันเป็นทานบารมีไงบารมีที่พระเวสสันดรให้อะ มันก็ไม่ได้หมายความว่าพรวดเดียวไปไปไปถึงนิพพานแต่ว่ามันมันมันสะสมไปเรื่อยเหมือนเราเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงหมหาวทาลามันก็สะสมไปหลายปีก่าจะจบหมหาเทไลัยเนี่ย แล้วก็ก็ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัจจัยของการรายการการเรียนอนุบาลเป็นปัจจัยประถมการเรียนประถมเป็นปัจจัยมัธยมการเรียนมัธยมเป็นปัจจัยมหามหาอทไลมันก็ส่งต่อกันไปอ่ะครับทีนี้ถ้าคุณขาดทุนได้จุดหนึ่งคุณก็ไปไม่ได้หลวงพ่อเหมือนกันนะครับกลขอบคุณท่านผู้จัดครับสายที่เจ็มารออยู่ครับสวัสดีครับจะให้ท่านพูดเรื่องถ้าไม่เอาผ้าแล้วก็ยัไม่เอาผ้าหน่อยก็อยากให้พูดเรื่องนี้ท่าใจหน่อยเด็ดนะครับ อ, นะอ๋อในกัรครับผมครั บ, บ, บครับรับฟังคำพิยุทนะครับครับผมขอบคุณแม่ครับ ไม่เข้าใจคําถามเกี่ยวกับเรื่องเอ๊ะทําไมพระไม่เอาพระโยไม่เอาพระหมายถึงว่าการทําบุญเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าเขาอาจจะสงสัยว่าทําไมสมัยนี้การทําบุญเอพระก็ไม่ทําบุญกับพระเองโยก็ไม่ทาบุญกับพระเองสักงงๆเหมือนกันอก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจคําถามครับผม คือคือที่จริงการที่โยมเขาจะทําบุญมันก็อยู่ที่ศรัทธาเขาครับอ่าเขามีกําลังทรัพย์มีกําลังศรัทธาเขาก็ทําไม่มีกําลังทรัพย์ไม่มีกําลังศรัทธาเขาก็ไม่ทําครับส่วนพระเองนั้นจะเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันหรือเกกูลกันอ่ะท่านมีสงเคราะห์ท่านก็สงเคราะห์ท่านไม่มีท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าพระเออมีไม่มากหรอกอย่างหลวงพ่อคูณอ่ะที่จะสงเคราะห์ได้มากๆเนี่ยครับพระส่วนใหญ่ก็ เอาตัวพอไปรอดอ่ะนะครัับอนนี้ยังยังไม่เข้าใจประเด็นปัญหาเท่าไหร่ดครับทุกคนจะครับค่าใช้จ่ายแต่ละวัดเนี่โอ้โหมากไปมหาศาลเนี่ยรัฐบาลมีส่วนช่วยเหลือไหมครับเกี่กับค่าน้ําค่าไฟค่าไม่ไม่ไม่ไม่มีสิวัดวรเนี่โอ้โหค่านะเฉพาะค่าน้ําค่าไฟเนี่ยนะสาหัสเลยครับผมนะยิ่งข้าบรรษาพระใหม่ข้าไปจีหนึ่งเป็นร้อยนะครับร้อยนอกบรรษาคือวัดวรนบสทุ่งศวัน บ, บวดตลอดตั้งแต่ฝาบาทเป็นสมภารมาเนี่ยนะครับบวดตลอดเพราะันเราจะสอนพระหมายกันอยู่ตลอดก็ทาให้ค่าใช้จ่ายนี่สูง ร, รัฐบาลไ ม, ไม่ไม่ไม่ได้ช่วยหรอกอคือศาสนาพุทธเนี่ยถ้าหากวโยมไม่เลี้ยงไว้เนี่ยมันก็พังไปแล้วครับผมเราก็กษัตริย์ในสมัยโบราณท่านก็ช่วยนะฮะแต่ว่ารัฐบาลแต่มีประชาธิปไตยไม่ไปช่วยขนาดนั้นหรอกก็ <c oughs> <c oughs> อย่าออกพระราชบัญญัติมาทําลายคณ ะ, ะสงฆ์อย่างที่ว่าไปเนี่ยตอนต้นก็พอแล้วนะ <c oughs> ครับนี่ยังออกพระราชบัญญัติมาถ้าคือคือเราลืมนะฮะอย่าลืมมาถ้าสมเด็จประสังกราชท่านทําได้ท่านนั่งปั๊บมันหายไปทีนี้สมมติว่าเราไปทําอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าท่านเกิดยังปฏิบัติงานไม่ได้ หมาความยังไงหมายความมาคุณจะถอดสมเด็จพระพุทธาจาย์ออกและจะให้วัชนะเป็นบอกว่าเปลี่ยนกันเป็นมันไม่ได้มันจารีด ส, สง์มันก็ถืออีกอย่างหนึงเขาเรียกว่าอนุวัตตามราชานางอนุวัติตุงคล้อยตามบ้านเมืองเขาบ้านเมืองก็มีกฎเกณฑ์ยังไงในหลวงสถาปนาใครเป็นสมเด็จราชากรกอดองค์นั้นต้องนั่งข้างหน้าองค์อื่น<อ>แล้วนั่งยังไงองค์หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนสังกาชองค์หนึ่งเป็นสมเด็จ อาบูวสูงสุดโดยสมศักครับแล้วนั่งไงอื ม, มันก็ไม่มีจารีตทั้งสองอย่างใช่ไม่มีวินัยด้วยแล้วก็ไม่มีการนวตตามใจรีตของคณะสงฆ์ด้วยครับก็สังกวนทุนก็แตกใช่ครับแลยุ่งกันหมดครับ จนถึงก็มีใครพูดหรือาจจะมีสัญญาณสององค์คือตอนสามสองนี่มันจะมีแล้วแก้กันเกือบตายเลยโออวิ่งล็อคบี้กันหุดตลุดทุกเลยก็เต็มที่นะครับได้ๆตอนนั้นก็ว่ากันเต็มที่เลยครับผู้ชายถามนี่เขาเหม็นนี่มีสองมีที่มีสององค์นะมีสองมีสององค์ ชื่อสุธรรมาทิปดีกับสุเมธาทิปดีสมเด็จพระสุธรรมาทิปดีกับสมเด็จพระสุเมธาทิปดีตุก ว, วันเปลี่ยนแล้วยังไม่รู้เพราะว่าถูกฆ่าตายเยอะอครับผมก็ยังยังยั ง, ยงไม่ได้ติดตามเขาเพราะว่าพระเขายัางน้อยอยู่นะครับผมนนครับขอบคุณท่านผู้จากกับสายที่เจ็ดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนผมรัฐบาลนะครับเอรัฐการของคุณหลวงพ่อนะครับเอผมขอยักถามว่าอ สิขาบทปราชิดข้อที่สองนะครับเอ่อได้เคยดยินพระคุณเจ้าท่าเขียนกันว่าสิขาบทเนี่ยหมายห้าบาทตกหมายถึงเงินหนึ่งบาทหนึ่งบาทคือเหรียญบาทเล น, นะครับหรือว่าท อ, ององเอ่อเมล็ดอีกเขาเปลี่ยนไปเไปติยปดยงนะครับเอ่อของสัยว่าเอ่อหนึ่งบาทหรือว่า5้าบาทตกถึงจะปราชิตครับอเอ่อขอทางนายซนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับ คือเกณมเขากําหนดไว้นะฮะคือบาลีบทบัญญัติพระวินไเหนี่ยเขาเรียกว่าห้ามมาศกทีนี้ตั้งประเด็นว่าห้ามมาสกคืออะไรห้ามมาศกบอกว่าน้ําหนักทองคําหนักเท่ายี่สิบเมล็ดข้าวเปลืกหนึ่งมาสกเท่ากับสี่เมล็ดข้าวเปลือกใช่ไหมประมาณก็ห้ามาสกก็เท่ากับยี่สิบเมล็ดข้าเปลือกอ๋อยี่สเมล็ดวิธีการของท่านก็คือว่าเอาเข้าวเปลือกยี่สิบเมล็ดข้าวเปลือกไปชั่งดู น้ำหนักได้เท่าไรแล้วก็ทองน้ำหนักขนาดนั้นไปขายดูได้เงินเท่าไรล้วก็ถือว่าเป็นห้ามมาสก<อ>แต่ตอนนี้รู้สึกเขาเคยทดลองนะครับทดลองได้รู้สึกสามรอกว่าบาทสามรกว่าบาทครับก <นะ S 1> ็บตอนนี้ตัตมันขึ้นอยู่โตมันขึ้ น, นครับแต่ว่าถ้านลักลไไแล้วเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่ไสนใจจานวนมาสกหรอกพระเราทลักมันก็นิมนต์ศึกเลยครับ ชัดเจนครับชัดเจนคือคือคื อ, ค อ, คอเราไม่เคยพูดรเรื่องมาสุกมาสึก ค, <ล>ครับครับผมครับขอบคุณครับสายที่แปดครับสวัสดีครับการรักษาการหลงพ่อครับสวัสดีครับท่านผู้จัดรายการครับสวัสดีครับผมคือผมเนี่มีความเป็นหวงประเทศไทยและมีความเป็นห่วงคนไทยะครับครับเพราะคนไทยทุกวันเนี่ยตั้งอยู่บนความประมาทอย่างไม่น่าแห้อภัยเลยครับคือ ยังยังพูดพูดถึงเรื่องกิราวิญญาเนี่ยคือผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับลักษณะที่ว่ากินแล้วทาให้เกิดรูปบาดเทนะแต่กินลักษณะแล้วทำให้เกิดอ่จอาจจะทําให้กระทกระเทืนความมันคงของประเทศเพราะอย่างเทศกาลปีใหม่หรือสองการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนถ้าเราไปทุกหัวแล้แหงจะเห็นกับคนไทยกินเหล้าไปหมดเลยหรือว่ากินเหล้าหัวราน้ําแล้วของของโตไม่เค่อยได้ถ้าเกิดศึกเหนือเสือต้านเราจะทำยังไงเพราะคนนี้มันจ้องจะให้ประเทศไทยต้อง คิดจะยึดอำนาจรัฐมันมีอยู่คือครับจะไปเป็นห่วงในประเด็นนี้นะครับคือไอ้ปุ่มคมที่ผมว่านะมันคือขา้อา จ, จะต้องโอกาสอยู่ไม่ไไม่ไมไม่ไม่เป็น ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไรก็ขอญอานิห่างห่างนิดนึงก็แล้วกันนะครับสงสัยห่วงห่วงประเด็นเรื่องทานเล่านะครับคืออย่างกรณีอย่างบอย่างสมัยที่ลาวเขาบุกเข้ามามายึดที่คุณหญิงท่าน ท้าทศรานาเรียนครับคราและมันก็ดำเนินการเรื่องคล้ายๆกันครับขอบพระคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับคือมันเป็นปัญหาในแวดบงการศึกษาครับคยอเราจะเห็นว่าการศึกษาเวลานี้อกระทรวงศึกษาเองยังไม่มีทิศทางอะไรที่ชัดเจนครับอาจารย์วิจิตเข้าไปอยู่คิดยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามาเองยังยังยังรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจคำว่าศึกษาครับ เพราะศึกษาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมรทางกายทางวาจาทางใจ ค, คือเม่อค่เรียกว่าไม่พูดไม่ทำไม่คิดในทางลิทุิเตอริศีห้ามจะอยู่ในนี้แล้วไม่ต้องกล<ะ>ัวหรอกทีนีปน้ปัญหาสำคัญว่าเวล น, นี้เราศึกษามุ่งให้เรียนไกลตัวเองออกไปทุกทีจนไปนอกโลกไประดบสุรยิยะจั ก, กรวาล น, นะไปนีนอมตรอง <c oughs> ไปอะกรไปกันอุตรุษเั บ, บแลวรู้ว่าทาอะไร ตอบไม่ได้เลยตอบไม่นี่คือปัญหาใหญ่ที่ที่ที่ที่ทททน่าห่วงจริงๆก็คือว่ามันเป็นการบ่อนทําลายคุณภาพของประชากรครับทุกเนี้ยมาจะไปพูดพระพุทธศาสนากับความมั่นคงที่วัวปอก็จะพูดประเด็นนี้อหลายประเด็น น, นนะ ค, คือต้องการมีนายพลทั้งหมดร้อยห้าสิบหกคนมั้งของวัวป อ, อล่ะครับใช่ก็น่าพูดอยู่หรอก ก็ดีอ้าวท่านในการไปเรียนด้ยครับรุ่นนี้อะ้รท่านในการไปดีผมไปเรียนด้วยอ๋อในวันสามเหมือนกันครับผมเขาเป็นท <c oughs> ่าน ไ, ไปแจาง ก, กับสายที่เก้าเนีครับ <c oughs> สวัสดีครับความวิทยกรเั็นไงครับอ่าเชิญสอบถามได้เลยครับไม่เป็นไรครับอบ่าครับฝากว่าไงครับอ่าพระอ่านมัตการแล้วพราที่ปินเหล่า กินเหล้าเข้ายาเนี่ยจะจะเป็นบาปนะครับจําเป็นต้องกินเหล้าเข้ายาเนี่ยฮะเอาละครับแทนนี้ครับผมขอฟังชาววิญญาณครับครับผมขอบพระคุณมากครับกินเหล้าเข้ายามาที่ประชคือคือหมายความว่าเหล้านี่นะครับท่านครับเหล้าถ้าเป็นกระสายยาเขาเรียกว่าอโพหาริกอะโผคือไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแล้วเอาไปผสมกับยาเนี่ย มันก็คล้ายๆกับไรซุกี้ยากีเนี่ยก็ใส่เหล้าเชิงชุนใช่ครับก็ใส่เหล้าคือคือเขาเรียกว่ามันมีก็เหมือนกับไม่มีครับก็ก็ไม่ได้ถือว่าผิดครับแต่ว่าอไม่ใช่ว่ากลินเหล้าฟุ้งนะไม่จะดองไม่ได้ไม่จะอย่าดองเหล้าแต่ว่าถ้าถ้าเป็นในกรณีมีส่วนผสมอยู่เนี่ยบาลีตานช้ายคะคืออโพรไฮเกมีก็เหมือนไม่มี นะมันก็คล้ายๆกับว่าน้ําที่เรากรองเนี่ยจุลินทรีย์อาจจะมีแต่ว่าเราเราไม่เห็นใช่ไหมเอากล้องจุลทรรศน์มาดูอาจจะมีใ ช, ใช่ไหะแต่ว่ามันมันมันมันนอกวิสัยของตาที่เราจะเห็นใชก็ถือว่าพระดื่มได้ครับแต่ถ้าเอาขนาดจุลินทรีย์แล้วก็เลิกเลย <laughs> <laughs> <laughs> ใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้จะดื่มอะไรอะ่ะ <laughs> อันนี้ก็าเขาเหมือนกันคือคไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นอาบัต แต่ถ้าเป็นเล่าจริงจะไปดองเล่าอย่างนี้ไม่ได้นะฮะขาให้สุดเลยนะจริงเนี่สุดเลยครับผมเป็นเป็นมติของมหาเทอมมาขมมานานแล้วขึ้นเดรัมะแล้วจ้งไว้ก็ถ้าเจอแล้วก็จับสึกครับแต่ปัญหาว่าบางทีมันอาจจะหลุดรอดไปบ้างก็ไม่เจอก็ไม่รู้จะว่ายงไง่ะนะก็ก็ชาวบ้านเข้ามาบวชนะชาวบ้านเข้ามาบวชบางทอผมเห็น บางคนก็ตั้งความหวังหรือว่าคิดว่าพระจะต้องใบสุดขุดพองร <c oughs> คือมันูุ่งเอ ง, งทำไม่ได้เลยจริคือปัญหาว่านึกว่าพระก็คือขุนอ่ะครับท่านขับใช่ก็คือลูกชาวบ้านครับเขาเรียกว่า ไหว้พระพุทธใหญ่ถูกอีกถูกปูนไหว้พระธรรมใหญ่ถูกไปลานไหว้พระสงฆ์ใหญ่ถูกลูกชาวบ้านพระก็คือลูกชาวบ้านที่มาฝึกปลือตัวเองทั้งฝึกได้ยังไงในอย่างน้อยท่านก็รักษาศีลได้มากกว่าชาวบ้านแหละใช่ครับนะแม้แต่พวกเนี้ยผู้ที่ร่างกฎหมายขึ้นมาบังคับคณะสงฆ์นี้ปัญหาว่าศีรษะรักษาได้เปล่าเนี่ยจะไม่ครบเลยครับกใช่สปัญหาว่าตัวเองศีรษะรักษาได้เปล่ามานั่งสวดดูตัวเองจะบ้าง คิดจะออกมาถึงโปรไม่ไม่กี่วันก็ตั้งนะไม่ใช่ตัวแทนประชาชนนะเขตั้งขึ้นมาพวกคุณเนี่ยจะเป็นหลงโลกมากเขาให้ปีเดียวนั่นเองแหละครับผมขอบคุณครับที่คุณแจ้งข่าวสายที่สิบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถเรื่องการและตามน้ำมัสการหรือสองข้อครับคือว่าผมอยากสอถามปัญหาสักหข้อครับเฉลยครับคือว่าผมเล่าสมาธิภาวนานะครับกําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ย พอนั่งก็ได้สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งเนี่ยประมาณสักสักึงขึ้นที่เหน่ ง, งดีฮะล้วก็ได้ตรวจมีนิดขึ้นมาฮะว่จะเป็นลูกเล้าของคนนะทีใ่ในในบริเวณที่นอกนั้นในในนิดนะครับคือว่ามันจะใหญ่โตมากเลยจะ่ยืดซ้ายยืดขวายืดขึ้นยืดลงได้นะครั บ, รบอ่าเพราะฉะนผมก็เลยเสียดตกใจนะ <c oughs> คือว่าเกิด <c oughs> ตกใจผมก็เลยรีบออกจากสมาธิเพราะเพราะเพราะปวดติวริบ ล, ล่าดนะฮะแล้วว่าข่าวหลังมาเนี่ย ผมก็นั่งประจันนั่งนั่งนั่งอีกฮะทีนี้นั่งได้ต้งสองชั่วโมงกว่าโดยที่แบบว่าไม่ได้ทุ่นไหวไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ไม่เมื่อยไม่เพียไม่ติดไม่ปวดไม่อะไรนะครับแต่แต่พิธิยังไม่สงบปะคือว่าพอพอมีอุบายอย่างไนที่ว่าจะทำให้จิตสงบได้มั้งครับผมครับขอบคุณครับยินดีนะครับครับผมขอบคุณครับคือประเด็นได้ที่ยิงโยมต้องเพ่งนะฮะต้องเพ่งแล้วพิจารณาตามไป อเ่อความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน่าตาของภาพที่ปรากฏนะที่จริงก็น่าน่าศึกษาทีนี้ส่วนในการต่อมาที่โยมนั่งได้โดยไม่เกิดความสงบเนี่ยก็แสดงว่าลึกๆเนี่ยยังยังกลัวจะเห็นอยู่ใช่มยังกลัวจะเห็นอยู่ถามผู้บายที่มันอยู่ลึกๆฮะมันอยู่ลึกๆเพราะันโยมต้องลืมคือว่าสมาธิมันเป็นตัวความอยาก มันเป็นตัวปฏิปักษ์ต่อตัวสมาธิรตรงกันข้ามเลยหมายความถ้าจิตยังอยากอยู่เนี่ยจะไม่เกิดหรอกรเพราะนั้นจิตต้องปล่อยวางความอยากแล้วอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดเราดูดูลมนี่แหละแล้วเขาเกิดเขาเกิดฮะไม่เกิดคือไม่เกิดอ่ะครับเราอย่าอยากให้เกิดครับแต่ว่าเรามีหน้าที่เพ่งดูที่ลมลมมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ดูตามมันไปเรื่อย ลมมันก็เปลี่ยนนะฮะลมหายลมดับไปอะไรตัวอะไรก็มีมีเกิดขึ้นเดีวก็ตามไปดูอนแล้วถึงถึงบทจะรู้จะเห็นก็ก็ได้ทึกพื้นฐานดีนะฮะนั่งทั้งสองชั่วโมงไม่ปว ด, ไ, ดไม่เมื่อยเนี่ย<ห>นั่งต่อโยมนั่งต่อคขอข อ, ขอนุญาตลาบุญด้วยนะครับสายที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสอบถามได้เลยครับถามลูกคนหลีวิจทตรบ้านนิดนึงนะครับ ธรรมรการครับครับผมอยากจะถามเรื่องญาณอภิญญานะครับครับผมอคารว่ะทาได้นะครับครับมีข้อเดียวนะครับเดียวจะมีข้อครับครับขอถามได้ได้ขอถามถามถได้เลยครับครับผมคือว่าเพื่อนผมนะครับเป็นเป็นระดับผู้ใหญ่ในกองทัพเนี่ยจะปรวจเสียด้วยกันพหน้านะครับเขาบอกเขาจะสามารถทําให้ตัวรอยได้ครับ อกาจะทําได้นะครับได้ขแรกผถามว่ายาในสินยาเป็นอย่างไรนะครับว่ครับแล้วก็ที่สองคือเรว่าตัวลอยได้ครับว่อดีคสามเพื่อนผมเนี่ยจะจะเสียในการเนี่ยเอาคิดอย่างนี้ยว่าจะทําให้ตัวลอยได้ทำได้นะครับฟทำไดุครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอแสดงว่าโยมเนี่ยไปฝึก t ีเอมฮะทีเอ็ม เองเขเล่นตัวลอยฮะเขาเล่นตัวลอยได้ฮะมันเป็นปีติอย่างหนึ่งก็าเรียกอุเพงคาปิติเตงคาปิติแต่อยญาอยากลอยนะฮะลอยมันลอยเองเลยลอยเอ ง, งลอยเองแล้วถ้ากําหนดจิตให้ลอยไปไกลๆก็ได้อแต่สมาธิอย่แตกนะหล่นนะหล่น <laughs> สมาธิแตกไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในสมาธิแล้วก็สามารถไปได้มีอันตรายไหมทุแต่กับลูกปู่สาวว่าท่านสงสัยตัวท่านเอ๊ะทําไมท่านลอย ท่านก็ไปให้เด็กออกไม้ไปเสียไปที่คื่อที่ที่ช่อฟ้าช่อฟ้าโบสถ์แล้วก็นั่งสมาธิอธิษฐานจิตเพื่อจะขึ้นไปดึงตรงนั้น่แล้วก็ปรากฏว่าพอท่านออกจากสมาธิไอ้ไม้ก็มาอยู่ในตาข้างนั้นอแต่ว่าท่านท่านไม่รู้สึกตัวแต่สู้พระองค์นั้นไม่ได้องค์นั้นท่านท่านนั่งสมาธิปีติมันลอยข้ามป่าเลยไปลงที่ถ้ำแห่งหนึ่งครับท่านครับเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นเนื้อผาออ ก็ตำหนดจิตลงนะลงนะ แ, ละแล้วก็เจอปรากฏเราไปเจอไอ้ไอ้ไอกล่องใสบ่บุหรี่ใส่บุหรี่แล้วก็กลับมาถึงก็เล่าอาจารย์ฟังอาจารย์เขก็เล่าถึงสถานที่ ก, ก็ปรากฏเราตรงกันตเออของผมเองของผมเองคุณคุณวันหลังถ้าไปได้เราก็ไปเอากลับมาให้ด้วยเข้าใจ อ, อาจารย์ต้องการทดลอง ก็ปรากฏว่าท่านเอกกลับมาได้จริงนะครับผมท่านเอกกลับมาได้จริงครับท่านอาจารย์อุเพยคาปิติโอเพลงคาปิติอันนี้ปิติคือคือถ้าอภิญญาแล้วมันก็แน่อยู่แล้วนะอีทีวิธิอภิญญามันจะออกมาสองอย่างเป็นมโนมยิทธิคือตัวอยู่ที่หนึ่งแต่ว่ากายทิพเนี่ยมันจะไปปรากฏอีกที่หนึ่งได้ครับพระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อยเนี่ยครับแล้วก็อีกหนึ่งคืออีที่วิธิตัวไปเลยตัวไปเลยครับ นะไอ้ก็ก็แด้แต่ท่านไดในช้ครับจะได้ทั้งสองอย่างที่คุณจันเข้าประดีแฟนรายการหลายท่านถามผมมาผาฝากถามที่คุณจันหน่อยว่าดูทีวีช่องสามการกําหนดกายทิพย์เนี่ยฝ่ายผู้ร้ายนะฮะทําชั่วมากๆ็เลยก็สามารถทํากายทิพย์ได้ก็ถามว่าเอ๊ะถ้ามันทุกคนทํากายทิพย์ได้จะมีใจชั่วร้ายขนาดนั้นดิเออคือคือมิจฉาสมาธินะฮะคือเกลือเกลือจัจะต้องจะต้องมองว่าพวกเนี้มันมันมันไปถึงจุดของมันนะ มันขึ้นที่อวิชานยอวิชาะครับอวิชาแล้วก็ไปโน่นใหม่ไปมิจฉาญาณน่ะอ๋ปมิจฉาญาณมิจฉาญาณราเป็นมิจฉาวิมุตตเลยเอเป็นแบบรัสกโตินเนะฮะแรปโโปรตินเนี่ยมาจากสายเนี่ยสายวิชาอสายสายดำแกไปกางแดงแล้วเสร็จแล้วแกก็ตระเรือตังนี้น่ะอเพราะงั้นควนทำได้ทาได้โอ้ครับผมแต่ว่าถึงจุดหนึ่งจะเสื่อมครับผมแล้วก็แล้วก็เสื่อมแล้วก็เสื่อมแรงอ่ะนะ ครับก็เราจะอาจารย์อธิบายชัดเจนนะเปลี่ยนที่รัสปูตินเห็นสภาพชัดเจนเลยนะครับสายที่สิบสองครับสวัสดีครับครับรบกวรดังๆนิดนึงนะครับสายค่อยมากเลยครับครับจะถามภาการสองข้อนะครับครับเจเลยครับข้อข้อที่หนึ่งะฮะคือว่าเวลาปฏิบัติธรรมเสร็จเนี่ยจะมีผู้แนะนำเขาบอกว่าแผ่นเลขาหรืออะไรเนี่ยขอให ขอให้พ่อแม่ในไทยเราจะให้ตรงมีจิตโสมนัตยินดีครับขอขอดังอีกหน่อยนะครับตรงมีจิตโสมนััตยินดีอนุโมทนาให้บุญกุศลที่เราได้ทําแล้วเนี่ยนะครับทีนนี้ว่าที่ผมถามเนี่ยคือว่าอยากจะให้หลวงพ่อบอกว่าเอโสมนัตยินดีถ้าเกิดเขาไม่โสมนัตยินดีเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญไหมเมื่อข้าบอกว่าได้รับห้าข้อเนี่ยอยากจะให้หลวงพ่อบอกนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะครับ แล้วแล้วข้อที่สองนะครับเออผมอยากจะถามว่าข้อที่สองนี่เราต้องเข้าก็ได้นะครับครับคขอบขอบคุณมากครับจิตส่งบรริติคือคือนี้เขาต้องรู้นะคเขาเขาต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะนโมรูนาอย่างไงมั่งกัน คือจะสมมนัตยินดีหรือไม่เนี่ยเขาต้องรู้ถ้าเขารู้เขาเกิดสมนัติยินดีก็เรียกว่าเป็นปัตตานุโมทนาใหมา่ปัตตานุโมทนาใหมา่นะบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญครับที่คนนั้นทำไอ้นี่เขาเรียกอนุโมทนาหรือมุทิตาเนี่ยเนี่ยเป็นเป็ น, ปนในพระมิหารเขาเรียกว่ามุทิตาโดยทั่วไปเขาเรียกอนุโมทนาแปลว่าจิตมันบันเทิงตามเข้าไป Oh. ในขณะที่คนนั้นเขาบันเทิงเราก็บันเทิงตามเขายิ้มเรายิ้มตามเนี่ยเราก็ <Sure. S 2> เป็นสุขแกไหมฮะเห็น <Sure. S 2> ไหมฮะทีนี้ถ้าถ้าคนอื่นเขายิ้มเรานั่งเบื่งอยู่เราก็ก็ <Sure. S 2> ไม่เป็นสุข <Sure. S 2> ออนุธนามจะมีทัศนัยอย่างนี้นะฮะคือต้องต้องชื่นชมกับความดีที่เขาทําซึ่งก็หมายความเราก็ต้องรู้ ครับเราต้องรู้ถ้าเว้นไว้แต่ที่ท่านตายไปนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะท่านอย่างทราบแยานวิถียังใดยังหนึ่งแล้วหมูทนาท่านก็ได้ส่วนบุญบที่เราอุทิศ ส, ส่วนบุญไม่ใช่บุญมันไปแบบวัสดุปไปทันีครับแต่บุญมันจะไปคล้ายๆกับครูสอนหนังสือแกเด็กอะครับความรู้ไม่ได้วิ่งจากครูไปหาเด็กครับแต่ว่าเด็กแกก็เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสของเธอเอง ความรู้คงอยู่ที่ตัวครูนะฮะบางทีครูก็ชำนาญมากกว่าเดิมอีกอันนี้ก็บุญจะมีลักษินอย่างนั้นคือเพิ่มบุญแก่ผู้ให้แล้วก็เพิ่มบุญแก่ผู้รับแต่คนละบุญกันอ้าวพาครูจะครับเหลือีกานาทีจะหมดเวลานะครับศูนย์สรพุษธาสนาไฟรายการ จดหมายมาแล้วก็ถามมาเยอะมากเลยครับตั้งอยู่ที่ไหนคับที่ปรึกษาครับแล้วก็การทําบุญในกาสราสร้างศูนย์ศรัทนาเนี่ยเขาถามว่าจะได้บุญพอๆกับการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารไหมครับที่ปรึกษาครับอ๋อถ้าพูดถึงศูนย์ที่จริงงานเขาจะกว้างกว่างานงครับคืองานเนื้อเลยเนื้องานเลย ครับนเน้นที่การศึกษาการมิบัติการเผยแผ่ ก, การดูลแลรักษาพระศาสนาเลยโฮโฮเลยแล้วเกษเสนาสนะเป็นการให้เสนาสนะแล้วเป็นให้ธรรมะแล้วเป็นให้ทานเป็นคือมันครบชุดอ่ะครั บ, ครบชุดของบุญกิยาวัตรเป็นปื น, เ ป, นเป็นตัวเนื้อ ง, งานหลักของพระศาสนาครนะแล้วก็ภารกิจในการใช้สถานที่เนี่ยมันเกิดบุญทุกขณะที่มีการใช้ประโยชน์ สวนงานของเรามันมันมันมันจะทำตั้งกลางคืนกลางวันอ่ะก็มีเจ้าหน้าที่ประจํามีงานต่างๆเยอะครับได้เต็มนนโครงการแล้วแล้วก็จะเห็นงานครับสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับท่านอาจรย์สถานที่ตั้งตอนนี้จะตั้งสํานักงานกลางอยู่ที่ใกล้วัดอ่ที่มืองนนนะฮะที่มองนนใกล้ใกล้ใกลดใกล้ถนนสิวานนครับก็เช่าของ ทรัพย์สินส่วนประมากษัตริย์ครับแล้วก็ชี้แห่งหนึ่งก็คือชาของมัมกุดก็มีอยู่ที่ลาดุงแก้วนั้นพื้นที่มันใหญ่ครับจะเน้นที่ป่าก่อนแล้วอีกแห่งหนึ่งโยมให้ไว้ก็ยังนึกว่าจะขอเพิ่มไว้าอีกหน่อยเพราะว่าชี้มันแค่สีได้กว่ามันทํางานเปิดค่ายนักเรียนเนี่ยมันจะเกิดเปิดไม่ได้เพราะว่าเด็กเด็กเยอะเสียงก็ดังเลยจะรบกวนเนี่ดิ่งเขาประเดี๋ยวงั้จะทํา ให้บรรยากาศบรรยากาศองสูญเสียไปครับผมอ่าครับสายสายที่เก้านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมการสมัครสกัครับสอบถามสองข้อนะครับครับใช่นเดยครับครับอย่างพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าวิธีวงทรวงต่างๆเนี่ยครับผิดทวิเัยสรงไหมครับครับผิดอทางคณะาส่งจะห้ามปลานหรือหรือจะทําอะไรหรือเปล่าครับข้อที่สองนะครับครับทำมายุทธ์กับ ขีดนยาเนี่ยครับอาจจะยึดหลักคําสั่งสอนของสมาริกพระเจ้าโดยตรงคือใช้ใช้คําสั่งสอนของพรธเจ้าที่ว่าตรง100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะศึกษาจาัด ตรงไหนได้ที่ว่าเป็นคําสั่งสอนโดยตรงครับคือครับขอภัยสายที่สิบสามนะครับครับผมพระได้ทิมพิธีปลุกเสกเราก็ต้องว่าเป็นกรณีกรณีไปนะฮะถ้ายังยุติด้วยทำบินัยแม้แต่เป็นแบบแบบจารีตมีมาแต่โบราณการเนี่ยก็เป็นเรื่องของท่านก็ถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเป็นนอกรีดนอกรอยไปคณะสงฆ์เขาก็ลองพิจารณาโทษนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านยังอยู่ในกรอบอยู่ครับ เองแต่ว่ามันเป็นความนิยมของคนกลุ่มหนึ่งคือจิตอนุเคราะห์โลกเนี่ยมันพูดยากครับเพราะว่าต้องการจะแก้ปัญหาให้แก่ชาวโลกเขาก็มีวุฒิภาวะขนาดนี้เด็กเล่นตุ๊กตาเนี่ยมันจะต่างไงเราตุ๊กตาให้แก่แันนั้นเองครับทีนี้อะไรกร็ประ<อ>ยุกต์กับเหตุการณ์อ๋อไม่ใช่ ค, ค, คือเป็นอ่า เทรวาดกับหมหายานน่ะมั้งครับน่าจะเทระวาดกับหม า, านกา ค, นะคือว่าธรรมยุท์เนี่กับหม า, านิกายเนี่เป็นนิกายเดียวกันครับคือคือเป็นเทรวาดด้วยกันครับเมื่อก่อนเขาเรียกว่าหินายานเป็นคําม้ายานเขาเรียกด้วยความดูมินต่อมาเราตกลงว่าให้เราเรียกเทรวาดแต่เขาเรียกว่าหมหายานายออที่จริงแล้วโดยเนื้อหาสาระแล้วก็ก็ตรงตามพระวินัยด้วยกันครับ เพียงแต่ว่ามายานเขามีการอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็เน้นไปที่พระปุติสัตว์เน้นไปที่การเป็นพุทธะทุกๆคนอะไรตามความเชื่อถือเ้านะฮะคือถ้าพูดถึงว่าตรงหลักมา ก, กเป็นเกตรวติตรงกว่าซึ่งมายานเองเาก็ยอมรับนะเพราะว่าเขาก่อสร้างประสูติเองขึ้นเยอะนะครับฝัน ขอบคุณครับขอไพ่หลายสายนะครับวันนี้โทรมาไม่ติดสายแน่นมากเลยนะครับวันจันทร์หน้าพบกันใหม่นะครับขอความเจริญยิธรรมมีแด่ท่านผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมท่านครับวันนี้ขอากราบลาครับสวัสดีครับ